ไปพึ่งพากันตั้งใจทำใจของเราให้หนักแน่นลงไปอย่าให้ใจมันอ่อนแ อ, ท, อแท้อแท้การที่เรามาประชุมร่วมกันในศาลาการประเรียนนี้ ก็เพื่อมาฝึกตั้งใจนั่นนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นใดถ้าอยู่ตามลาพังแล้วมันไม่่อยได้ตั้งใจกันมักจะปล่อยใจให้เพลินให้เมาไปไม่ค่อยจะสำรวมจิตตัวเองดังนั้นเมื่อมา ส, สู่ที่ประชุมแลอย่างนี้ยังปล่อยใจให้เพลินอยู่มันก็ใช้ไม่ได้เลย มันต้องสมรวมจิตของตนเข้าไปให้มันแน่วแน่ลงเมื่อผู้ใดทำใจให้สงบลงได้ในขณะฟังธรรมะอยู่มันก็ให้ได้รับความสบายใจไปันไม่วุ่นวายเดือดร้อนแบบนี้แล้วก็จำอุบายธรรมะที่ท่านแสดงไปให้ได้ ไม่ได้มากก็ให้ได้น้อยเมื่อจำอุบายนั้นได้แล้วไปอยู่โดยลําพังก็น้อมอุบายนั้นเราไปสอนใจตัวเองให้ใจของตนมันเป็นศีลเป็นธรรมลงไปอย่าให้ใจมันไปเกลือ ก, กลัวกับกิเลสตัณหา <c oughs> ใจเป็นธรรมคือใจเป็นกลาง ไม่ยินดีกับสิ่งใดและก็ไม่ยินร้ายกับสิ่งใดตั้งใจเป็นกลางต่อสิ่งทั้งปวงอันนี้เราจึงเรียกว่าใจเป็นธรรมจุดประสงค์การปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี้ก็เพื่อที่จะให้ใจมันเป็นกลางนี่แหละ ความจริงนะการที่บุคคลได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจอยู่ในโลกอันนี้ก็เพราะว่าทําจิตให้เป็นกลางไม่ได้เลยเป็นได้ก็ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองสักหน่อยก็เอียงไปข้างรักบ้างเอียงไปข้างชังบ้างข้างโกรธบ้างเอียงไปข้างเสียใจเศร้าโศกบ้างมูเนีย ถ้าว่าใครสามารถทำใจให้เป็นกลางได้อย่างนี้ผู้นั้นก็ย่อมเป็นผู้มั่นคงในพุทธศาสนานี้หมายความว่าไม่เสื่อมจากพุทธศาสนานี้จะเป็นครือหัสก็ตามเป็นนักบวชก็ตามก็จะทรงไว้ซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ ก็เมื่อใจเป็นกลางแล้วอย่างนี้นะมันก็ไม่คิดไปในทางบาปอากุศลอย่างนี้นะจึงเรียกว่าใจเป็นกลางนะแล้วก็ไม่คิดพเพลินไปในด้วยอํานาจแห่งความรักความใคร่ต่างๆอแล้วก็ไม่หมกมุ่นอยู่ในความความเกลียดชังซึ่งกันและกันมือนี้นะเมื่อทําใจเป็นกลางแล้วมันไม่มี กิริยาการของจิตที่จะเอียงไปข้างโน้นข้างนี้ไม่มีเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมก็จงพากันตั้งอกตั้งใจสำรวมจิตใจของตนเสมอไปพยายามทำใจให้เป็นกลางให้ได้ถึงจะไม่ได้สมมำเสมอไป แต่ก็ให้มันได้เป็นครั้งเป็นคราวก็ยังดีดีกว่ามันทาให้เป็นกลางไม่ได้เสียเลยอันนั้นนะว่ามันผิดไปจากทํานองครองธรรมเรียกว่าเป็นผู้ตั้งใจไว้ผิดตั้งใจไม่ถูกดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ เกิดขึ้นจากจิตใจดวงเดียวนี้เองนะไม่ใช่เกิดขึ้นจากที่อื่นบุญก็ดีบาปก็ดีสุขก็ดีทุกข์ก็ดีหมู่นี้นะความอยากคือตัณหาเหมือนกันนะก็จิตนี่มันเป็นผู้อยากเป็นผู้ดินน้นรนทะเยอทะยานถ้าจิตดวงนี้ไม่ทะเยอทะยานแล้วตัณหาไม่มี ตัญหามันจะเกิดเองไม่ได้เลยจิตต่างหากปรุงแต่งมันขึ้นมันจึงมีได้จิตนี้เมื่อบุคคลไม่ฝึกขนอบรมแล้วมันก็ตกเป็นทาสของตัญหานี้เรื่อยมาแหละตั้งแต่ชาติหลังนู่นละมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ต้องเป็นทาสของตัญหาอยู่อย่างนั้นนย อย่าไปเข้าใจว่าเป็นอิสระนะคนไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจนี่เพราะเหตุนั้นน่ะมันถึงไม่ปรารถนาที่จะแสวงหาศีลธรรมไม่ปรารถนาที่จะรู้สัจธรรมธรรมของจริงก็เพราะว่าตัณหามันมีอำนาจมันสามารถบังคับให้คนเรานั้น เบื่อนายต่อศีลต่อธรรมต่อคำสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> บุคคลผู้ที่เคารพนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมประสง์อยู่ก็ยังชั่วหน่อยพอที่จะทวนกระแสะกิเลสตัณหานั้นได้อยู่เป็นบางครั้งบางคราว ถ้าหาว่าผู้ใดขาดความเคารพนับถือในพระคุณทั้งสามนี้แล้วมันไม่มีแก่ใจที่จะมาทวนกระแสของกิเลสตัณหาเลยมีแต่ปล่อยตนให้ไหลไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาโดยส่วนเดียวกิเลสตัณหามันพายทําบาป ก, ก็ทํากับมันก็ไปตามมันอา้าวกิเลสตัณหามันบันดาลให้ไปทําบุญก็ไปทําบุญไป ทำอะไรเอากิเลสตัณหาว่าคนที่ไม่ได้ฝึกใจของตนให้เข้มแข็งให้อยู่เหนืออำนาจของกิเลสตัณหามันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ไดรู้ตัวว่าตนตกเป็นทาตของกิเลสตัณหาดังกล่าวมานี้แล้วก็พยายามฝึกใจิตใจของตนเข้าไปให้ใจมันเข้มแข็ง ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลในคุณความดีให้มากแล้วจิตใจมันจะไม่ได้ตกไปอยู่ภายใต้อํานาจของกิเลสตัณหานั้น <c oughs> ก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละอะไรอะไรก็มีใจนี้เป็นใหญ่เป็นประธานสุดแล้วแต่ใจจะน้อมไปทางไหนถ้าใจไม่ฉลาดมันก็น้อมไปในทางกิเลสตัณหา สั่งสมกิเลสตัณหาให้มากขึ้นในจิตใจถ้าใจมันมีปัญญามันฉลาดมันรู้ว่ากิเลสตัณหานี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์บุคคลจะได้รับความทุกข์ทนทรมานโดยอาการอย่างใดก็เกิดไปจากตัณหาความทยานอยากนี่เป็นมูลเหตุผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วมันก็ พยายามแล้ววันนี้พยายามทวนกระแสของตัณหาเลยเมื่อมันอยากได้อะไรขึ้นมาพิจารณาเห็นว่าไอสิ่งที่มันอยากนั่นมันเป็นทุกข์เป็นโทษเช่นี้แล้วมันก็ไม่ไม่ไปตามไม่ไปตามความอยากนั้นมันก็ต้องละความอยากนั้นเสียตปอย่างนั้นถ้าความอยากอันใดมันไม่เป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษ มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเช่นนี้ก็จึงค่อยทาไปจึงค่อยไปตามความอยากอันนั้นะฉงนั้นพูดถึงตัณหาความอยากแล้วมันก็ควรจะแบ่งออกเป็นสองภาคได้อยู่ภาคหนึ่งนั้นมันมีอวิชชาเป็นเพื่อนมีความไม่รู้นั่นนะ่ะกำกับไปกับความอยาก เมื่อมันไมมันมีความไม่รู้กำกับไปกับความอยากส่วนมากมันก็อยากไปในทางที่เป็นบาปเป็นโทษนั่นแหละ<ม>เรื่องของอวิชชาความไม่รู้แล้วมันก็ต้องหมุนไปทางบาปมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> ความอยากอีกประเภทห น, น, <c oughs> นึ่งประกอบไปด้ปัญญานี่เมื่อมันอยากสิ่งใดมามันก็ใคร่ควรวญซะก่อน ว่าสิ่งที่ตนอยากนี่มันเป็นคุณเป็นหรือเป็นโทษมันเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ <c oughs> มันก็ต้องไขควนซะก่อนอันนี้แล้วว่าความอยากประกรอบไปด้วยปัญญา <c oughs> ถ้าเห็นว่าสิ่งที่มันอยากนะมันมีมันเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษมันก็ไม่อยากมันก็เว้น <c oughs> ถ้าเห็นว่าเป็น ถาสิ่งที่อยากนั้นมันเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและผู้อื่นอย่างนี้ก็กจึงค่อยดาเนินไปตามความอยากนั้นเช mm hmm. ่นมันอยาก <c oughs> ทำมาหาเลี้ยงชีพแต่โดยทางสุจริตยอย่างนี้นะาทางสุจริตไม่เอาแล้ว mm hmm. ทำอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นทางสุจริต ทำอย่างนั้นเป็นทางสุจริตก็ดำเนินไปในทางสุจริตนั้นอย่างนี้แหละแม้เป็นพระภิกษุสามเณรก็เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างไรอะ่ะมิจฉาชีพสัมมาชีพมิจฉาชีพนั่นหลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตเช่นไปตนไม่มีคุณวิเศษก็ไปอวดเขาว่าตนมีคุณวิเศษ ตนไม่ได้ช้านก็ว่าตนเป็นผู้บรรลุชานอย่างนี้แหละตนไม่รู้อดีตอนาคตก็ไปอวดว่าตนรู้อดีตอนาคตเดาเอาอย่างนี้เหมือนอย่างที่นิทานท่านเล่าไว้อรหันในตุ่มนั่นเพื่อนก็เอาตุ่มใหญ่ไปไว้ในห้อง น้นแ <c oughs> บบ น, นี้เมื่อรู้ข่าว่าญาติโยมจะมาห า, างีทีแรกก็ให้เขาเห็นซะก่อนเขามองมาแต่ไกลก็เห็นว่านั่งอยู่นั่นะพอเขามาใกล้เขาแล้วไม่เห็นเลยหาอย่างไงก็ไม่เห็นเรียกหาก็ไม่ไม่ตอบเอ๊ะเมื่อตะกี้นี่ท่านนั่งอยู่นี่นะไปไหน เสียวายวาเหลือเกินว่ า, างั้นที่แท้แล้วย่องเข้าไปอยู่ในไหคดตัวอยู่ในไหนั้นอย่างนี้แหละพยาโยมเขาตามหาไปตามหามาทางโนนนี้ก็ย่องออกจากไห้แล้วก็มานั่งอยู่อัศนา ต, ตามเดิมเขาวกกลับมาไปเห็นเขาเอ๊ะเพระคุณเจ้าหายไปไหนเมื่อกี้เนี่ย พวกผมมาแนละ้วบอก็าไม่เห็นเลยโอ้ยธรรมดาเรื่องพันนี้เนะ่ยโยมโยมต้องรู้เอาเองแหละมันเป็นอย่างไรอะ่ะพระผู้ปฏิบัติในพุทธศาสนานี่มันก็ย่อมสามารถทำคุณงามความดีให้ จะเรินยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อะไรก็ว่าไปเพื่อให้เขาได้รู้ว่าตนมีฤทธิต์ตนหายตัวได้ mm hmm. อย่างนี้เนะี่ยอย่างหนึ่งก็เรียกว่าอารหันต์ลากไซ mm hmm. ไปอยู่หลังเขาต้นไซมันจะขึ้นเกิดขึ้นที่ก้อนหิน ข้างหลัง ข, ข้างเขานั้นแล้วมันก็ย่อนรากมันลงไปถึงพื้นชั้นล่างนู่บนบบบนี้เมื่อญาติโยมมาห า, าสนทนาปาาัสกันแล้วเขาก็นิมนต์ไปแสดงธรรมที่นนทีนี้เอา้เอาโยมไปก่อนนะจะมาจะไปทีหลังโยมเขาก็ไปก่อน คอยเห็นโยมเขาค่อยหลังไปทางนี้ก็กองแก่งลงไปตามลากไซนั่นโหนากไซลงไปทางที่ลงโดยแท้จริงแล้วมันทางโคง้งมา น, นี้โหนลากไซลงไปล้วก็ไปยืนคอยญาติโยมอยู่ทางตีนเขานู่น่อญาติโยมลงเขาไปล้าไปเห็นโอ้ พ่อพ่อเป็นเจ้ามายังไงนี่ทำไมจึงมาถึงก่อนพวกผมวะอ้อาวธรรมดาพระมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละ<อ>ขราวนี้จัดโยมเขาก็ไม่ค่อยจะเชื่อนำมนเพื่อนเท่าไรนักว่าพระคุณเจ้าองค์นี้มีฤทธิ์จริงหรือไม่นอนวันหลังมาเขาก็ทำท่ามาหาอีก มาแล้วบัดนี้ไอ้คนหนึ่งมก็ไปดักอยู่ใกล้ๆกับต้นไสนั้นพวกหนึ่งก็มานั่งคุยคุยแล้วก็นิมนต์ให้ไปแสดงธรรมที่โน้นที่นี้อายมไปก่อนเถอะแต่ามาไปทีหลังหรอกจะไปพอโยมงค่อยหลังไปกับโหนรากไสนั้นลงไป คนที่เขาแอบดูเขาก็เห็นแบบนี้เพราเขาเห็นอย่างนั้นภายหลังมาเขาก็ไปเอามีดไปหั่นรากไทรรากที่เพื่อนโหนลงนั้นให้มันยังเหลือน้อยเดียววันนังมาเขาก็มานิมนต์อีกมานิมนต์ก็บอกว่าไปก่อนเถิดโยมเขาก็ไปอ่ะพอคอยหลังเขานี้เพื่อนก็ลงไปโหนรากไทรรากเก่านั้นเลย ทานน้ำหนักไม่ไหวลากไส้ขาดบ้านี่มันก็ตกลงไปกองอยู่ตีนเขานู่นเนี่ยท่านเรียกว่าอารหันลากไท้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการธรรมาหาเลี้ยงชีพโดยทางที่ผิดเป็นมิจฉาชีพพระต า, า, าทรงตาหนิแม้เป็นพระเป็นเจ้าก็เหมือนกันนะยังปรับอาบัติอย่างหนักไปสะด้วย เป็นอย่างนั้นแม้ชาวบ้านก็เหมือนกันทามาหาเลี้ยงชีพโดยทางทุจริตช่อช่อโกงโกงซึ่งกันและกันเพื่อจะให้ได้ร่ำรวยโดยรวดเร็วมูนี้ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเดือดร้อนมันก็เป็นบาปเป็นโทษคนเห็นแก่ตัวนะมันก็ยอบจะเป็นอย่างนั้นแหละ คนอื่นนั้นจะเป็นทุกข์เดือดร้อนอยังไงก็ช่างมันว่าแต่ตนเองนั้นได้รับความสุขสบายแล้วเป็นพอแต่แล้วตนก็ยังอาศัยหมูอยู่เมื่อตอนอาศัยหมูคณะอยู่อ้าวเป็ิททำลายหมูคณะให้เดือดร้อนในอย่างนี้พระศาสดาทรงตำหนิว่าเป็นผู้ บำเพ็ญตนเป็นเสนียดจริยต่อหมู่ต่อคณะไม่เป็นหนทางพ้นทุกข์ไปได้เลยดังนั้นทุกคนให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติให้ตรงไปตามคำสอนของพุทเเจ้าเรายอมสละชีวิตเพื่อคำสั่งสอนนี่แหละดี ดีกว่าที่จะไปสละชีวิตเพื่อกิเลสตัณหาบุคคลใดไปยอมสละชีวิตเพื่อกิเลสตัณหาแล้วเป็นเหตุได้ไดทาบาปทำกรรมถึงแม้ว่าจะได้รับความสุขก็สุขชั่วคราวในโลกนี้นะเมื่อละโลกนี้แล้วก็มีทุกขติเป็นที่ไปไปเสวยทุกทนทรมานอยู่นานแสนนาน อันนี้นะพ่อเป็นการทำลายชีวิตของตัวเองโดยตรงเลยทีเดียวการทำชั่วนี่นะนี่ว่าเป็นการตัดทอนความสุขความเจริญของตัวเองทิ้งไปหมดเลยไปสร้างเหตุแห่งทุกข์ให้แก่ตัวเองโดยส่วนเดียวนับว่าไม่สมควรเลยการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ ทางได้มาพบพระพุทธศาสนาอันประเสริฐนี้ด้วยเช่นนี้แล้วก็สมควรที่จะสละชีวิตของเราเพื่อปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพู้พุทธเจ้าให้ได้เป็นนักบวชก็ต้องปฏิบัติตามธรรมวินัยที่พุทธเจ้าทรงบัญญัติแต่งตั้งสั่งสอนไว้เป็นครืหัด ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามศีลธรรมของคฤหัตให้เต็มความสามารถ <c oughs> <c oughs> เรียกว่าเราสละชีวิตเพื่อคำสอนจริงๆสิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษแล้วเราจกไม่ทำที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้แล้วเราไม่ทำเลยเอาตายก็ตายถึงแม่เราร่วงเกินคำสอนพระพุทธเจ้าเราก็ตายอยู่เหมือนกัน ถ้าเราไม่ล่วงเกินคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เราตายอยู่ในขณะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็เรียกว่าตายไปอย่างบริสุทธิ์เพราะว่าผู้ปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้านี่มันต้องไม่ทําชั่วต้องทําแต่ความดีต้องมีเมตตาอารีต้องไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อน นี่ผู้ปฏิบัติตามคาสอนของพระเจ้าต้องดำเนินชีวิตไปอย่างนี้ <c oughs> เพราะนั้นถึงแม้ตายลงในขณนะที่เราปฏิบัติตามคาสอนของพระเจ้าอยู่อย่างนี้อันทุกขตินีไม่ได้ไปหรอกไม่ได้ไปแน่นอนเลย <c oughs> เพราะว่าสิ่งใดที่เป็นบาปเป็นโทษนั้นละมันไปแล้วนี้นั่นเลยไอ้ผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุเทธเจ้าแล้วผู้นั้นต้องทำบาปแน่นอนเลย น, นลยั่นแหละผู้ทำบาปฉะนั้นถึงจะมีอายุยืนอยู่ตั้งร้อยปีพระพุเทธเจ้าก็ตรัสว่าเป็นผู้ไม่ประเสริฐเลยสู้คนที่เขามีศีลธรรมอันดีงามแม้จะมีอายุอยู่ได้วันเดียวก็ยังดีกว่านั้ น, นดีกว่าผู้ที่ประมาท สะสมแต่กรรมชั่วใส่ตัวแล้วมีอายุยืนตั้งร้อยปีไม่ประเสริดเลยนี่แหละคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อเราพิจารณาให้ถีทวนแล้วก็จะเห็นได้ว่าอันพระพุทธเจ้านั้นทรงพระเมตตาพระกรุณาต่อสรรพสัตว์โลกทั้งหลายจริงๆอยากให้สัตว์โลกทั้งหลายพ้นจากทุกข์ให้บรรลุถึงซึ่งความสุข ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกลัวจะบรรลุถึงซึ่งความสุขคือพระนิพพานอันนั้นเป็นความสุขสุดยอดเลยไม่มีความสุขอื่นยิ่งไปกลัวแล้วอันบุคคลที่จะได้บรรลุถึงซึ่งความสุขคือพระนิพพานนั้นมันก็ต้องละชั่วทำดีไปแล้วก็เสวยสุข อันเกิดจากบุญกุศลนี่ไปก่อนอเมื่อบุคคลใดเห็นคุณของบุญแล้วผู้นั้นก็ไม่ทิ้งบุญเลยก็พยายามสั่งสมบุญกุศลจนติดนิดสัยเลยในชีวิตที่ตนเกิดมานี่นะสิ่งใดเป็นบาปในต้ตนเบื่อตนเกลียดมันมันก็เป็นนิสัยปัจจัยติดตามไปเมื่อไปเกิดชาต หน้าต่อไปอีกมันก็ยินดีพอใจในการทำความดีเกลียดต่อความชั่วเพราะว่าในชาตินี้นั้นได้ฝึกผลอารมณ์จิตใจของตนให้เป็นไปอย่างนั้นแล้วอันนี้ท่านจึงเรียกว่านิสัยวาสนาเนี่ยพานเข้าใจถ้าว่าเรามีความยินดีทั้งสองอย่างอย่างนี้นะมันก็ได้รับผลทั้งสองอย่างนั่นแหละ ยินบาปก็ยินดีทามันลงไปบุญก็ยินดีทาอย่างนี้น ะ, ะถึงคราวบาปให้ผลก็เป็นทุกข์ทนทรมานไปถึงคราวบุญบุญให้ผลก็เป็นสุขสบายไปไออย่างนี้ใครๆก็ไม่ต้องการแหละต้องการแต่ให้เป็นสุขสม่าเสมอเรื่อยไปนี่แต่เมื่อตนต้องการความสุขให้สม่าเสมอไปเมื่อไม่ละบาป ไม่ทำแต่ความดีแล้วมันจะได้รับความสุขสม่ําเสมอได้อย่างไรอ่ะนี่ต้องคิดดูให้ดีอันั้นผู้ที่จะได้รับความสุขสม่ําเสมอได้เมื่อก็ต้องเพียรพยายามขาจัดสิ่งที่เป็นบาปออกไปจากกายวาจาใจของตนให้ได้ขจัดมันให้ได้ในชาตินี้แหละอย่าไปอ้างชาติหน้าชาติไหนต่อไปอะไรเลยเราพิจารณาลงในปัจจุบันเนี่ย ว่าใจเรายังมีบาปอะไรอยู่ใจของเรายังยึดเอาเชื้อแห่งบาปกรรมอะไรไว้บ้างเชื้อแห่งความโลภมันมีอยู่ไหมเช่นเห็นคนอื่นเขามีสมบัติมากมายมันอยากได้อย่างนี้นะมีไหมนี่ถ้ามีแล้วให้กาจัดมันออกไปอย่าให้มันไปอยากได้สมบัติผู้อื่นโดยทางทุจริต มองดูจิตตัวเองนั่นน่ะความโกรธมันมีไหมเอา้ามันไม่มีมากแต่มันมีน้อยอะ่ะเคยสังเกตไหมเวลาได้กระทบกับอารมณ์ที่ไม่พออกพอใจก็หงุดหงิดขึ้นมาอย่างนี้แต่ไม่ถึงกับแสดงออกมาทางกายทางวาจาก็มีอันอย่างนี้ท่านกียบอกความโกรธเหมือนกันแหละแต่มันโกรธอยู่แต่ในใจเฉยมันไม่แสดงออกข้างนอก <c oughs> แต่ถ้าหากว่าสะสมมันมากๆเข้าไปแล้วมันทนไม่ไหวหรอกมันต้องแสดงออกมาทางกายวาจาเลยนี่มีหรือไม่กิเลสเหล่านี้เน่ะต้องดูจิตใจของตนให้ดีถ้ามันมีอยู่อย่างนี้มันก็ต้องพยายามเละพยายามกําจัดมันออกไปอย่าไปสร้างเอามันไว้อย่าไปยึดถือเอามันไว้นั่นแหละมันจะ บันดาลให้ทำบาปต่อไปอ่ะผู้ใดสะสมความโกรธให้หนานแน่นเข้าไปอ่ะมันจะบันดาลให้ฆ่าสัตว์ให้รักทรัพย์ให้ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาตดื่มสุราเมรัยคนดื่มสุราเมาเข้าไปแล้วมีใครมายวนิดหน่อยก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟถึงมิตรสหายต่อสหายก็ฆ่ากันได้เลย นี่คือว่าความเมาน้ำเมาเนี่มันมันย้อมความโกรธให้รุนแรงขึ้นเพิ่มเติมขึ้นอีกมันเป็นอย่างนั้นเรื่อง ม, มันนะเพราะฉะนั้นนะทุกคนก็ต้องให้พิจากิเลสอันมันหมักดองอยู่ในจิตใจของตอนนี้ให้ได้เราจะไปให้ผู้อื่นทักท้วงให้อย่างนี้มันไม่ได้หรอกไม่มีใครจะมาทักท้วงใครได้แล้วก็ไม่กล้าไปทักท้วงกันนะ มันเป็นระเบียบมันมีสิทธิของใครของมันเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องต้องดูตัวเองเมื่อว่าตนนั้นมันยังหนาอยู่ด้วยกิเลส ช, ชนิดไหนกิเลส ช, ชนิดไหนยังหนาแน่นอยู่ในใจก็พยายามปราบมันให้มันเบาบางลงไปอ่ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเนี่ยเราเอาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยปราบมันลงนะอ่จะไปเอาอื่นปราบไม่ได้กิเลสในหัวใจของคนเราเนี่ย <c oughs> เอาศีลปราบความโลภโกรธหลงอย่างหยาบนั่นออกไปอันมันเป็นเหตุให้ทำบาปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนันะเอาสมาธิปราบความโลภความโกรธความหลงอย่างกลางให้เบาบางออกไปเอาปัญญาปราบความโลภโกรธหลงอย่างละเอียดให้มันหมดไปสิ้นไป นี่เมื่อมันไปปราบกันมาโดยลํา ด, ดับจนถึงกิเลสอย่างละเอียดแล้วอย่างนี้ถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่เพียรพยายามกําจัดมันเดี๋ยวมันก็กลายเป็นกิเลสอย่างกลางและอย่างหยาบคืนเหมือนของเก่านั่นแหละไอ้นั่นน่ะท่านยังสอนให้ทําความเพียรติดต่อกันไปเรื่อยๆอเมื่อทํากิเลสชนิดไหนเบาๆลงไปแล้วก็พยายามทําให้มันเบาไปเรื่อยๆ อย่างนี้แหละจึงได้ชื่อว่า <c oughs> เป็นผู้ไม่ประมาทในพระธรรมคำสอนของพระเจ้าก็จะเป็นผู้ <c oughs> ได้รับความสุขความสงบใจได้รับความเย็นใจสม่ำเสมอทั้งกลางวันและกลางคืน คือซึ่งมันเป็นไปตามจุดประสงค์ของตนแหละเพราะว่าตนก็ต้องการความสุขสม่ำเสมอนี่ต้องการให้จิตใจนี่มันเป็นสุขสบายเรื่อยไปไม่ให้ใจนี่มันขุนมัวเศร้ามองไม่ให้ใจมันทุกข์โทมนัดขับแค้นไม่ให้ใจนี่มันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยต่างๆนา น, นาหมดนี้นะความมุ่งหมายก็ต้องการให้ใจนี่มันสงบเยือกเย็นอยู่ในปัจจุบันเรื่อยไป อันนี้เป็นจุดมุ่งหมายของคนเราทัอ่วอไปทีเดียวแหละแต่ว่าถึงจะต้องการอย่างนั้นหากไม่ลงมือประพฤติปฏิบัติขจัดกิเลสอันเป็นศัตรูต่อความสุขอย่างว่านั้นแล้วก็คงจะไม่ได้รับความสุขอย่างนั้นเลยแหละไม่ได้พบกับความสุขอย่างนั้นหรอกความจริงนะขอบุคคลจะได้รับความสุขสม่ําเสมอสุขไม่ต้องอิงอาศัยวัตถุภายนอกเลยอย่างนี้นะ มันก็ต้องกำจัดกิเลสบาประธรรมนั่นนะให้บบอบางออกไปจากกิจใจของตนเสียก่อนใจนั้นเมื่อไม่มีกิเลสบาประธรรมมารบกวนมากแล้วอย่างนี้มันก็สงบนิ่งอยู่ได้ออมันก็เยือกเย็นอยู่ได้พร้อมทั้งสติพร้อมทั้งปัญญาธรรมดาคนเราถ้ามีใจสงบแล้วมันมีปัญญาพร้อมแหละมีปัญญา สามารถวินิจฉัยเรื่องราวต่างๆได้โดยรวดเร็วเรื่องนี้มันเป็นบาปเป็นโทษอย่างนี้นะมันมาถึงตัวเข้าสามารถกำหนดรู้ได้ทันทีเลยอย่างนี้ถ้าคนไมน่ไม่มีปัญญาแล้วรู้ไม่ได้ใจไปยึดเเรื่องบาปนั้นมาเผาตัวเองให้เดือดร้อนก็เพราะเหตุว่ามาขาดปัญญานี่เองแหละเรื่องมันนะที่ไม่มีปัญญาก็เพราะไม่ทาใจให้สงบให้เยือกเย็น เนมันมันมันเป็นอย่างนั้น เ, ออเราต้องทบทวนดูให้ดีคนจะมีปัญญาได้ต้องใจคอหนักแน่นหนึ่งแล้วก็เยือกเย็นหนึ่งเพียบพร้อมด้วยสติสัมปัติญาอยู่เสมอนี่แหละมันจึงได้มีปัญญาออสามารถขจัดกิเลสปาประธรรมให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจจนกว่ามันจะหมดสิ้นดังแสดงมา